อาจารยบูชานะถาวายหลวงพ่อคำเขียนก็สำเร็จเสร็จสิ้นด้วยดีนะถึงแม้ว่าเป็นงานแรกนะที่เราทำในลักษณะ น, นีนะ้ก่อนหน้านี้อาจจะมีธรรมญาตรานะที่จัดเพื่อเป็นอาจารยบูชาแต่นั้นเนี่ยก็เป็นงานที่ทำไว้แต่ดั้งเดิมมาแล้วนะ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 งานนี้เนี่ยจบลงได้อย่างราบรื่นจริงจริงงานอาจจะรับบูชาที่เราจัดนี่เมื่อเทียบกับที่อื่นจัดนี่ก็ถือว่าเป็นงานเล็กนะเป็นงานที่เล็กนะแล้วก็ใช้เงินไม่มากนะซึ่งอันนี้ก็ตรงตามเจตนารมณ์ของหลวงพ่อหลวงพ่อท่านป่ารถอยู่เสมอว่าเราเป็นพระจนนะก็ไม่ควรจะทำอะไรที่ฟุ่มเฟือยแต่ว่า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 นะเรื่องการทำเส้นทางตามรอยหลวงพ่อแต่ว่าบางเรื่องก็คงจะเป็นงานใหญ่กว่าเดิมนะเช่นที่กรุงเทพอาจจะมีการจัดอบรมหรือปฏิบัติธรรมนะทางกรุงเทพก็บอ ก, อ ย, กอยากจะได้สามวันนะไม่ใช่แค่สองวัน 8, 9ดอย่างปีนี้แล้วก็นังสือนะที่เป็นสมุด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 หนึ่งในวันเกิดของท่านแล้วก็เนื่องในวันลัสังขารของท่านสิงหาคมก็จะเป็นเดือนที่พวกเราก็ต้องร่วมมายร่วมมือกันนะเป็นประจําทุกปีก็ว่าได้แตสิ่งแต่สิ่งที่ต้องคิดกันก็คือว่าทําไงเนี่ยนะจะไม่ให้งานแบบนี้เนี่ยกลายเป็นประเพณีที่ลงร่องนะ คือทำไปเป็นประเพณีจนกระทั่งมันไม่มีชีวิตชีวาในะการทำซ้ำๆเนี่ยนะมันไม่ได้แปลว่าจะซ้ำซากเสมอไปนะถ้าเราทำให้มันมีเนื้อหาสาระนะถึงแม้จะทำเหมือนกันทุกปีมันก็จะไม่ซ้ำซากนะมันจะไม่ใช่เป็นเรื่องของรูปแบบนะมีงานอาัจฉาริบูชาหรือว่าล้ำลึกถึงครูบาอาจารย์ที่ล่งลับนะในหลายที่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 ยาจกเข็นใจนะไม่ทายกยาจกเข็นใจเนี่ยขอทานถือกะโหลกกะลาขอทานเป็นอ่าเป็นอาชีพมีชีวิตลำบากมากหาเช้ากินขําตอนหลังเนี่ยก็ไม่รู้เป็นเพราะศรัทธาหรือเพราะเห็นว่าการบวชเนี่ยมันง่ายนะสบายก็เลยมาบวชนะพระอานนท์ก็บวชให้นะคงเห็นว่ามีศรัทธาด้วยแหละ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 อยู่เป็นพระนี่ก็สบายอยู่แล้วทำไมจะไปหาเรื่องลำบากนะกลับไปเป็นคารวะาก็เลยไม่สึกเนะี่ยออกมาจากป่าอยู่ไปไม่นานก็กระสันจะสึกอีกนะก็เข้าไปในป่าก็อาศัยเสื้อผ้านี่แหละเป็นเครื่องเตือนใจนะทำให้ความคิดที่จะสึกเนี่ยหมดไปทำงี้บ่อยๆนะจนกระทั่งเพื่อนพระถามเนี่ยว่าท่านไปทาอะไรในป่า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 สามารถที่จะเอาเอาสิ่งต่างๆมาเป็นครูบาอาจารย์เตือนใจได้เวลามีเรื่องกระทบใจเนี่ยนะมันก็ถ้ามองดูดีๆนะครูบาอาจารย์ก็สามารถจะปรากฏกับเราได้นะหลวงพ่อพุทธนิโยโเนี่ยท่านเคยเล่าว่าสมัยที่ท่านเป็นพระหนุ่มเนี่ยอยู่ที่อุบลวันหนึ่งก็ไปบินทบาต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 ถ้าเราโกรธนี่แสวว่าเราก็ยังไม่เป็นพระนะนะก็เป็นการเตือนใจให้รู้จักทำความเพียรหรือว่ารู้จักข่มใจนะรวมทั้งมีสติรู้ทันความโกรธด้วยนะถ้าคนที่ด่าเราเนี่ยนะถ้าเรามองให้ดีก็สามารถจะเป็นอาจารย์ของเราได้เหมือนกันนะไม่ใช่เฉพาะคนหรือเหตุการณ์นะเวลาเราทำอะไรผิดพลาดเนี่ยนะ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 บางทีครูบาอาจารย์นี่เราไม่ใช่ต้องไปสแสวงหาที่ทไกลๆนะด้นด้านด้ น, ด น, ดนไปนะไปอินเดียนะหรือว่าไปาประเทศหรือเมืองต่างๆนะบางทีอาจารย์นีันก็อยู่ข้างหน้าเรานี่แหละนะโดยเพราะเวลาเกิดการกระทบขึ้นมานะทำให้แม่พอใจหรือแม้แต่อารมณ์ที่มันเกิดขึ้นข้างในใจเราเนี่ย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 สิ่งเหล่านี้นี่ก็ถือว่าเราเป็นผู้มีปัญญานะอันนี้ก็เรียกว่าเป็นคนที่รู้จักแสวงหาครูบาอาจารย์เหมือนกันคนเรานี่ถ้าไม่รู้จักแสวงหาครูบาอาจารย์นะมันก็อาพัพนะแล้วก็ยากที่จะจริลงอกงามนะไม่ว่าในทางโลกหรือทางธรรม